คำสรีระคือสองน้ำเป็นต้นแต่เช้าตรูในวันที่สองเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุตีภิกษุทั้งหลายเห็นพระคันธกุตีปิดจึงรู้ได้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยถ้าวันไหนพระองค์ปิดประตูสนิทเนี่ยนะปิดประตูไว้เนี่ยก็แสดงว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะเข้าไปบิณฑบาตพร้อมกับภิกษุสงก็เลยทําประทักษีณพระคันธกุตีแล้วเข้าไปเพื่อบิณฑบาต แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ออกจากพระคันธกุตีแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายดาบทแลต้มกิ่งใบไม้เคี้ยวกินแล้วก็นั่งอยู่ในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดาบทนี้ก็ไปหาเก็บพวกยอดม้ยอดอะไรในมาก็ต้มต้มแล้วก็รับประทานอยู่ตรงนั้นนะพระเจ้ากาศิกราชพระนามวิกิกิเห็นภิกษุทั้งหลายเที่ยวบิณบาตตรสถามว่า ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปไหนและก็ได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารอยู่ในวิหารมหาบาพิษแล้วก็ได้สั่งโภชนะที่ถึงพร้อมด้วยกับและรถต่างๆสมบูรณ์ด้วยชนิดของเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอามาทั้งหลายก็ไปสู่วิหารกราบถุแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายน้ําทักษิโนโทก เมื่อจะอังค่าก็ได้ถวายข้าวยาคูอันถึงพร้อมด้วยเนื้อนาน า, นาชนิดเป็นครั้งแรกดาบทเห็นแล้วก็ได้ยืนคิดอยู่ว่าเอเห็นเอในสำหรับกับข้าวนี่มีแต่เนื้อทั้งนั้นเห่นนะอาหารกับข้าวมีแต่เนื้อก็เลยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยหรือไม่เสวยหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อดาบทนั้นดูอยู่นั่นแล จึงทรงดื่มข้าวยาโค้ดดื่มข้าต้มกนะ่อนะค่ะกัดโจกันนะก็ใส่ชิ้นเนื้อเข้าไปในพระโอดนะหยิบชิ้นเนื้อแล้วก็เข้าไปในพระโอดเคี้ยวถ้าดาบทที่เป็นนักมังสวิรัตเนี่ยนะไม่กินเนื้อกินในมองเห็นแล้วก็โกรธโทสะเกิดขึ้นเลยไอ้ใครกินดิบมานะคะนี่โทสาทนั่นแหละกลินดิบมานะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดื่มข้าวยาโค้เสร็จแล้ว อมมาทั้งหลายก็ได้ถาวายโพชนะอันประกอบด้วยกับข้าวมีรถอย่างต่างๆอีกดาบทเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโภชนะแม่นั้นสเสวย อ, อยู่ก็โกรธยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ฉันปลาเลยเนื้อฮะนะก็คือพูดข่มทับเลยนะท่านว่าเขาบอกข้าพเจ้าไม่ฉันปลาเลยเนื้อก็บอกว่าท่าน่ะเป็นคนกินปลากินเนื้อนะท่านกินเกินดิบปะกัน ครังนั้นดาบทก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงธทำพัตกิจเสร็จทรงล้างมือและเท้าประทับนั่งแล้วก็ทูลว่าข้าแต่ท่านพระกส ป, ปะผู้เจริญท่านตัดสถามเท็จข้อนั้นไม่ใช่กิจของบัณฑิตด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงติเตียนมุสาวาทไว้แล้วท่านนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเพราะว่าอะไรพูดคําโกหกพูดคําเท็จเหมือนกันแม้พวกฤาษีเหล่านั้นเหล่าใด ย, ยังอัตภาพ ให้เป็นไปด้วยมูลพลาผลในป่าอยู่ณเชิงเขาฤาษีแม้เหล่านั้นก็ไม่ยอมผู้เท็จะก็เลยภาลณนาคุณของฤาษีใช่หเขาภาลานาว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายบริโภคข้าวฟ่างลูกด้วยถั่วเขียวใบไม้เง่ามันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยธรรมหาปรานากรมกล่าวคำหลาะแหละไม่นะก็คือตําเน่นะ เขากว่าพูดถึงชมคนดีเพื่อตําหนิคนชั่วนะลักษณะเขาเรียกอะไรนะตีวัวกระทบคาทนี่เลยนะตีอันเขาเรียกว่าชมคนหนึ่งแล้วก็เท่ากับด่าอีกคนนึงแตนะสมมุติว่าเห็นคนคนสองคนนี่นะอีกคนหนึ่งนิสัยไม่ดีอีกคนหนึ่งนิสยัดนนสยดีก็ชมคนดีก็แปลว่าตําหนิคนชั่วโดยอ้อมเห็นไหมตรงนี้หรือสีนี้ก็ใช้เทคนิค น, นี้นะั่นแหละ เรว่าชมคนที่ตัวเองนับถือว่าดีเท่ากับตำหนิฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำเสร็จดีแล้วตกแต่งไว้แล้วเนี่ยนะถวายอย่างประนีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็เชื่อว่าย่อมเสวยกลิ่นดิ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเผาพันธุ์แห่งพรมพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นดิบย่อมไม่ควรแก่เราแต่ยังเสเวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีกับเนื้อนกที่บุคคลปรุงดีแล้วนะตอนแรกก็บอกว่ากลิ่นดิบไม่สมควรใช่ไหมแต่มาตอนหลังก็ฉันเอาฉันเอาอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรอย่งเ้ยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะ ข้าพระองค์ขอทูลถามความข้อนี้กับพระองค์ว่ากลิ่นดิบของพระองค์นี่มีกี่ประการอย่างไรแต่เอพรามนี่เขาพอพูดตำหนิเสร็จนะก็ดูพิจารณาดูลักษณะดูตั้งแต่หัวจรดเท้าดูเท้าจรดหัวดูไม่รู้กี่ตลกเอ้คนลักษณะนี้ไม่มุสาวาทนะหรือว่าเราคุยกันคนละ ง, งาน น, นะเขาสำนึกตัวก็เลยถามว่า ไอ้กลิ่นดิบของพระ อ, องค์นี่เป็นอย่างไรเนี่ยนะกลิ่นดิบสงสัยจะคนละเรื่องมั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะตรัดตอบด้วยพระคาถาว่าการฆ่าสัตว์นะการฆ่าสัตว์นี่ก็ชื่อว่ากลิ่นดิบอย่างหนึ่งนะการทุบการตีการตัดการจองจำการลักทรัพย์หรือการพูดเท็จการกระทำด้วยความหวังการหลอกลวง การเรียนคมภีที่ไร้ประโยชน์และการโคบหาภรรยาผู้อื่นนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยก็คือสรุปว่าไอ้การทําบาปทําอกุศลสภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามการพูดหลอกลวงเนี่ยนะการศึกษาที่ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบนะการบริโภค ปลาเนี่ยนะปลาเนี่ยไม่ใช่วัตกลิ่นดิบเลยของชนเราแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงกลิ่นดิบต่อไปว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในกางทั้งหลายยินดีในรถทั้งหลายเจือปนด้วยของไม่สะอาดเนี่ยนะคือคนที่ไม่สำรวมในกางก็คือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยนะยินดีในรถทั้งหลายก็คือบริโภคด้วยอำนาจ ก, กิเลสตัณหาเจือปนไปด้วยข อ, ของไม่สะอาด มีความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลคือคนที่มีความเห็นผิดนะว่าเอ๊ะการให้การบริจาคนี้ไม่มีผลมีการงานไม่เสมอคือเป็นคนที่ทําชั่วแล ะ, ะบุคคลพึงแนะนำได้โดยยากนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยนะสรุปแล้วคนที่ ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ทาความคนที่ประพฤติไม่เรียบร้อยคนที่แนะนําสั่งสอนไม่ได้คนเหล่านั้นชื่อว่ากลิ่นดิบแต่ว่าปลาและเนื้อเนี่ยนะเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบแล้วกล่าวต่อไปว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เศร้าหมองหยาบช้าหน้าไหวลังหลอกเนไ ข้างหน้าก็เคารพนับถือจริงๆเลยนะจากนั้นไปก็เป็นคนที่เคยเห็นว่าเวลาเจอหน้านี่ชมหนุ่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอรับหลังแล้วก็เรียกว่ากัดหลังนะนี่เรียกหน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนปฏิทุสไายมิตรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนขายหม่ขายเพื่อนไม่มีความกรุณาไม่มีความสงสารมีมานะจัด คือมานะเนี่ยแปลว่าการถือตัวเย่อหยิงพยองว่างั้นเนี่ยเป็นคนที่เย่อหยิงจัดมีปกติไม่ให้ไม่รู้จักการให้ทานและไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครๆไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักให้ทานว่างั้นข้าวทับพีเดียวก็ไม่ตักบาตรว่างั้นเด็กเขาบอกว่าขนาดบาตยังไม่ตักอย่างอื่นเขาจะทําได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบ ของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยแล้พระองค์ก็ทรงแสดงกลิ่นดิบต่อไปว่าความกโกรธเห็นไหมเคยโกรธว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็โผกลิ่นมันดิบขึ้นมาแล้วนะขาวคลุ้งคละเคล้าออกขณะนั้นเลยนะหน้าก็คละเคลานะ้าอล้วความเมาเมาในที่นี้ก็คือความประมาทอ่นะนะความประมาทก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพภะ นี่ก็เรียกว่าความประมาทหรือว่าการไม่เจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ชื่อว่าความประมาทหรือความเป็นคนหัวดือ้อคนหัวดื้อก็คือคนดีแนะนําไม่ได้บางั้นเด้อคนชั่วสั่งสอนเนี่ยโอ้โหเชื่อเอาเชื่อเอาสมมุติว่าเด็กดือกก็คือเด็กที่พ่อแม่คนที่มีพระ ค, คุณแนะนําแล้วไม่ฟังเนี่ยนะแนะนำในทางที่ดีไม่เอาแต่เพื่อนชั่วเพื่อนเลวแนะนำเนี่ยโอ้โหรีบไปเลย อย่างนี้แหละเา้าเรียกว่าคนหัวดื้อกันตั้งความตั้งอยู่ผิดเป็นมิจฉาเป็นคนมีมายาเขาก็มายาก็เหมือนกันนักเล่นกล น, น, นะนักเล่นกลเนี่ยบางทีเขาเสกแบงออกมาเนี่ยเป็นปึกๆเลยนะเคยเห็นไ่มโอ้โเสกทีเสกเงินเสกทองอะไรออกมานั่นแเสกแล้วก็พอเสกเสร็จทาไงวะขายยาขวดละห้าบาทสิบบาทนถ้าเก่งขนาดนั้นก็ โอ้โหเสกเงินให้มาเป็น พ, พับๆจะมาเล่นกลหาขายยาห้าบาทสิบบาททำอะไรเนาะก็จะเอาเท่าไหร่ก็ทําไปสิแต่นี่ไม่ใช่มาย่ามของหลอกของรวมให้เฉลยลอกหรือบางทีก็เหมือนกับพยับแดดเนี่ยนะมายากลเนี่ยพยับแดดเนี่ยเลียวไปใกลๆเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีนม้ําแต่พอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีนี่คืแบบคนมีมายาว่ากันหรือว่าคนที่อิจฉาริษยาริษยานี่คือคนอยังไง คือคนที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วนอนไม่หลับอะ่ะจิตใจเนี่ยเดือดพล่านขึ้นมาทันทีเห็นคนเขามีความสุขความเจริญแล้วหมายมันมันเรา่า ม, มันร้อนนะก็สมมติว่าบ้านข้างๆก็มีบ้านงามกว่าเงี้ยก็แหมบ้านนี้ใหม่ดีเนี่ยนะคือตำหนิเขาเลือกเกินอยังไงตรงโน้นก็ใหม่ดีตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้อย่างไงนะือเห็นเขารถงามกว่าหรือเขาอะไรก็ตามถ้าลักษณะนี้เราไม่ ไม่ชื่นชมกับคนอื่นเมื่อคนอื่นเขาได้ดี อ, อย่างนี้เ็าเรียกว่าริสยาริสยาหรืออย่างหนึ่งนะริสยานี่ก็คือไม่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยเด่นล้ำเกินตัวแล้วก็ความยกตนยกตนนี่ก็คืออะไรที่จริงไม่ได้มีอะไรดีทักอย่างแต่ก็ยกตนที่ก็ข่มคนอื่นด้วยนะความถือตัวพวกนี้ก็มานะแล้วก็ดูหมิ่นดูหมิ่นเหยียดยม้มดูแคลนคนอื่นนะ มันจะเท่าไหรเชียวนะพูดด้วยความเย่อหยิ่งพูดด้วยความดูหมิน่นแล้วก็ความสนิทสนมด้วยอสัต์บุรุษทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นดิบเออการที่เราเกี่ยวข้องกับคนชั่วมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วมีอสสัตว์บุรุษเนี่ยนะคำว่าอสสัตว์บุรุษก็คือคนที่ทํากายะทุจริตทาความชั่วทางกายว่าจีทุจริตทำความชั่วทางวาจามโนทุจริตคือคนที่คิดชั่วทางใจ นะคนที่ไปสนิทสนมคลุกคลีกับคนชั่วเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบกลิ่นเหม็นกลิ่นข้าวกลิ่นเน่าเนี่ย น, นะเนื้อและโภชนะไม่เชื่อว่ากลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดในโลกนี้มีปกติประพฤติลามกลามกก็คือทําบาปทำมักุศนทําชั่วนั่นเองแล้วก็เป็นคนกู้หนี้มาแล้วไม่ใช้คืนเนี่ยก็ลักษณะของคนที่มีกลิ่นเหม็นขคาวนะกู้แล้วไม่ใช้ พูดเสียดสีพูดเสียดสีก็คือพูดให้เขาแตกแยกกันพูดพูดกระแทกแดกดันพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจเนี่ยนะพูดปาดให้คนอื่นเขาทุกข์หรือว่าพูดโกงเป็นคนเทียมคําว่าเป็นคนเทียมก็คือเหมือนจริงอ่ะนะสมมุติว่าเทียมทองไงก็เหมือนกับทองอะ่ะเหมือนนี่แปลว่าไม่ใช่นะสมมุติว่าโอ้โหเหมือนเงินจริงเล ย, ยงไงก็แสดงว่าสิ่งนั้นอะ่ะไม่ใช่เงินเหมือนเพื่อน อ็าแสดงว่าศัตรูใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเหมือนเหมือนใช่อะ่ะก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะไอ้คำว่าคนเทียมนี่ก็คือคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนนั่นเองเป็นคนต่ำทรามกระทากรรมหยาบชา้านี้เชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่เชื่อว่ากลิ่นดิบเลยฟังดูแล้วอะ่ะคนที่ทำอะไรด้วยบาปด้วยอำนาจอาุศล ทำอะไรด้วยอำนาจกิเลสขณะนั้นนั่นแหละชื่อว่ากลิ่นดิบเกิดขึ้นหรือว่าคนเหล่าใดไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายทำปาณาติบาตเป็นต้นชักชวนผู้อื่นประกอบการเบียดเบียนเนี่ยนะการเบียดเบียนทำลายสาัตว์อื่นเนี่ยนะเป็นคนทุจริตร้ายกาจหยาบคายไม่เอื้อเฟือ้ออย่างนี้ก็ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่เชื่อว่ากลิ่นดิบเลยเนี่ยนะ ไม่ใช่กลิ่น้าวกลิ่นเหม็นน่าอะไรรอกแต่ว่าไอ้ความทุ่สีลนความร้กาดหยาบคายหยาบชา้าไม่เอื้อเฟื้อสิ่งเหล่านี้นี่แหละเรียกว่ากลิ่นดิบสัตว์เหล่าใดกำหนัดแล้วในสัตว์เหล่านี้นะก็คือโลภะเกิดขึ้นมากเหมือนกันเถอะรุนแรงหรือว่าโกรธเคืองฆ่าสัตว์ขวนขวายในบาปอากุศลเป็นนิดตายไปแล้วย่อมถึงที่มืดมีหัวตกลง ไปสู่นรกนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่เชื่อว่ากลิ่นดิบเล ย, ยนะนะอันคนที่ทำบาปทอาอกุศลฆ่าสัตว์รับทรัพย์เป็นต้นทาบาปมากๆตายแล้วไปสู่โลกตันตนรกสิ่งเหล่านี้นี่แหละชื่อว่ากลิ่นดิบาการไม่กินปลาและเนื้อความประพฤติเป็นคนเปลือยเปลือยก็คือคนที่นักบวชนอกศาสนาเนี่ยนะ ความเป็นคนโลนการกล้าวฉดาความเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีการครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บการบำเรอไฟหรือแม้ว่าความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาะความเป็นเทวดาการย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกมนและการเส้นสวงยันและการซ่องเสบฤดูย่อมไม่ยังสัตว์ ไม่ข้ามพ้นความสงสัยให้หมดจดได้คือหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ใช่ไหมสัตว์เหล่านั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะไม่กินเนื้อกินปลาน่ยนะไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เพราะประพฤืิเป็นคนเปลือยคนเปลือยก็คือคล้ายๆกับพวกนักบวชนุ่งลมห่มอากาศพวกนี้แหละพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรหรอกหรือเป็นคนโลนเนี่ยแค่มาโกนผมเฉยๆ นุ่งห่มผ้าใชยๆนี่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรหรือว่าการที่นักบวชฤๅษีนี่เขาจะมีการมุ่นกล้าวเนี่ยนะหรือว่าการกล่าวชดาการเอาชดามาสวมมาใส่เป็นนักบวชแล้วก็หมักหมมไปด้วยทุลีน้ํำไม่อาบปล่อยให้ร่างกายมันจะถึงกับเป็นสะเก็ดเป็นคุยเป็นต้นหรือว่าเอาพวกหนังเสือเป็นต้นเนี่ยพร้อมทั้งเล็บมานุ่งมะห่มหรือว่าบูชาไฟสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้หมดจดอะไร นะหรือว่าทํากายให้เศร้าหมองนะประพฤต์แบบพวกฤาษีทั้งหลายฤาษีที่ปฏิบัติลงอาบน้นําหน้าหนาวลงอาบน้ําหน้าร้อนผิงไฟอย่างเงี้ยนะพวกอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์หมดจดอะไรหรอกแต่ว่าผู้ใดคุ้มครองแล้วอินทรีย์ทั้งหเหล่านั้นเนี่ยนะคำว่าสํารวมอินทรีย์อินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่มีอยู่หอย่าง ความเป็นใหญ่คือจักขุนสีความเป็นใหญ่คือตาความเป็นใหญ่คือหูความเป็นใหญ่คือจมูกความเป็นใหญ่คือลิ้นความเป็นใหญ่คือกายความเป็นใหญ่คือใจนะความเป็นใหญ่นะหญทั้ง6อย่างเหล่านี้เรียก ว, ว่าอินรีย่คําว่าคุ้มครองอินทรี่เนี่ยคุ้มครองตาใช่ไหมคุ้มครองตาก็หลับตาจะได้ไม่เห็นคุ้มครองหูก็หาที่อะไรมา uh. อุดหูเอ้คุ้มครองจมูกให้ชัดยุงแล้วนะใช่ไหมอุดจมูกเลย ชักแย่แล้วหายใจทางปากพอได้แล้วถ้าปิดปากเองอ่ะคุ้มครองลิ้นอ่ะปิดปากปิดจมูกไอ้กลแล้วนะทีนี้เออตาหูจมูกลิ้นเนี่ยปิดได้เป็นครั้งคราวแล้วปิดกายอ่ะหาพลาสเตอร์มาแปะทั้งตัวเลยหรือเปล่านี่ยังก็ปิดกายได้ที่ไหนเอาปิดใจอ่ะนอนหลับเลยอย่างนี้ป่ะอันไม่ใช่ลักษณะนั้นหรอกคำว่าคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหก ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ให้หายใ้ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าจิตที่เกิดขึ้นหลังจากการเห็นนะคือเมื่อเห็นแล้วถ้าถ้าเรียนอภิธรรมมาเ็าจะมีชวนะเกิดต่อชาวนะขณะเห็นถ้าเห็นด้วยอํานาจโลภะอันนั้นแหละเรียกว่าไม่สํารวมตาเห็นแล้วเป็นโทสะเห็นแล้วเป็นโมหะอย่างนี้ชื่อว่าไม่สํารวมตา หูได้ยินเสียงแล้วโลภะโทสะโมหะเกิดอย่างนี้เรียกว่าไม่สัมรวมหูฟังอะไรแล้วกิเลสเกิดเรียกว่าไม่สัมรวมหูเนี่ยนะหายใจเข้าได้รับกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาคุศลมันเกิดนี่เรียกว่าไม่สัมรวมจมูกรับประทานอะไรแล้วอาคุศลเกิดในขณะรับประทานชื่อว่าไม่สัมรวมลิ้นเนี่ยรับกระทบทางกายเนี่ยถ้าเจ็บปวดแล้วโทสะเกิดก็ชื่อว่าไม่สัมรวมกายได้รับ โหดพารณมที่ดีๆแล้วกุศลเกิดสุขเกิดเชื่อว่าไม่สํารวมกายเหมือนกันนี่นะคือถ้าหากว่ารับกระทบทางกายตั้งกับหัวจรด